ผู้ภาวนาสติยังอ่อนอุบายยังน้อยต้องยึดคำบริกรรมพุทโธเป็นหลักถ้ามิฉนั้นแล้วจะภาวนาไม่เป็นหรือเป็นไปแต่ยังจับหลักไม่ได้ทำสมาธิให้แก่กล้าจิตเด็ดถ้าสติแก่กล้าภาวนาจิตเด็ดว่าจะเอาอย่างนี้หลักถ้าไม่ได้พุทโธไม่เห็นพุทโธขึ้นมาในใจ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 นึกถึงคำบริการพุทโธเมื่อไรจิตก็รวมได้ทันทีอย่างนี้จิตจึงจะมั่นคงเชื่อตอนเองได้เมื่อหัดให้จ้ำชองชำนิชำนานอย่างนี้นานๆเข้าอิเลสความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงมันจะค่อยหายไปเองไม่ต้องไปชำระกิเลสตัวนั้นตัวนี้ว่าอิเลสตัวนั้นจะต้องชำระด้วยธรรมะข้อนั้น ด้วยวิธีอุบายอย่างนั้นๆเราละกิเลสได้โดยอุบายอย่างไรก็พึงยินดีเท่านั้นเอาเพียงแค่นี้ก็พอแล้วกิเลสค่อยหายไปด้วยอุบายอย่างที่อธิบายแล้วดีกว่าเราจะไปละกิเลสด้วยการปรุงแต่งเข้าชานที่หนึ่งสองสามสด้วยการละวิตกวิจารณ์ปีติสุขมีเอกขาตาและอุเบกขาเป็นอารมณ์